ภาษาง่ายๆชัดๆไม่มีอะไรซับซ้อนภาษาท่านภาษาใจสมัยแรกที่มาไปศึกษากับท่านฟังท่านไม่ออกเพราะว่าท่านพูดเป็นสำเนียงจังหวัดเลยสำเนียงอีสานนฟังอยู่ทั้งสองสามปีที่จะออกอาศัยเพื่อนพระที่ท่านมาจากอีสานอธิบายให้ฟังตอนหลังมาเมื่อท่านคุณมาฝึกพูดภาษาไทยไม่นาน ตอนที่มาอยู่วัดพชมทานโยมทางเที่ยวเขาฟังท่านไม่ออกก็ว่าหลวงพ่อจะฝึกภาษาให้เองนะท่านก็เรียนเรียนพูดอาอาจารย์สมชงบุญยริยไปอาสาสอนท่านตอนแรกแต่เมาก่อนก็ผ่านลำแต่พอหลังจากที่หลวงพ่อเรียนพูภาษากลางเขาเก็พูดได้ไวย่า น, นก็ใช้ภาษากลางได้เลยนะ่นแวิธีการ นี่ในสิ่งที่ท่านเน้นย้ําก็คือให้ความรู้ทุกอย่างนี่ยออกมาจากตัวเราเองหรือออกมาจากตัวรู้ที่เราเห็นในตัวของเราเนี่ยให้ชัดๆแต่ว่า <c oughs> เรื่องของตหรับตําราที่เขาว่ามาก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ออกจากตัวเรานนจะเป็นความจําแต่ถ้าใน มีศาสนาที่เราเรียนกันนี่ให้ให้เอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมามาสังเกตมาศึกษาในตัวเรา <c oughs> ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นนตัว <c oughs> เรามีไหมถ้าไม่มีก็ฝึกให้มันเกิดเริ่มต้นไปตั้งแต่ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรแต่ความรู้สึกตัวชัดชัดง่ายๆ่ยนี่นะแต่ว่าคนที่ไม่รู้เลยจะไปสอนมันซับซ้อนขึ้นก็เป็นความรู้สึกตัว ในความจำเราคิดนมาความรู้สึกเป็นอย่างนี้ความรู้สึกนั้นจะไม่ใช่เลยเป็นความรู้สึกตัวในความคิดไม่ใช่ความรู้สึกตัวในความจริงแต่เพราะเราไม่ได้ฟังจากท่านผู้ที่เขารู้จริงๆมาเราก็เลยไปสร้างความรู้สึกตัวที่เรียกว่าเป็นความรู้เป็นความจำ ที่ี่พอมาเป็นความรู้สึกตัวที่จริงๆเนี่ยหลวงพอเทียนเนี่ยรู้สึกไหมเทียนก็จะทําไม่เห็หนรู้สึกไหมเนี่ยจับไม้จับมือให้ดูนะรู้สึกไหมรู้สึกอคนรู้สึกนี้ใครๆก็รู้สึกหลวงพอเอออันนี้แหละใครๆก็รู้สึกแต่แต่มันไม่รู้มันว่าคือรู้แล้วมันก็หายไปเลยอะ่ะมันไม่รู้ชัดๆ ตัวนี้ท่านก็เลยมันเน้นว่าจะทำไงให้ตัวรู้สึกนี่จั บ, จบกันรู้อยู่นะหลวงพ่อแต่คุณรู้เนี่ยคุณรักษาตัวรู้นี่ให้ได้ตลอดไปไหมไม่ได้อันนี้แหละคือตัวไม่รู้มันเข้ามามันรู้แป๊บเดียวแล้วก็ลืมไปเลยไอ้ตัวลืมไปนึ่นเขาเรียก ว, ว่าอวิชชาทีนี้จะทำไงให้มันมันเป็นรู้นี่ให้มันมีต่อเนื่องท่านบอกให้ทําบ่อยๆเ้าเรียกว่ามั่งตัวนี้ วิธีการสอนองท่านเข้าสู่ตัวอลิัสสีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรู้ตำราอริยสัจเลยเพราะงั้นเด็กตัวลืมตัวเนี่ยตัวไม่รู้สึกตัวนั้นเขาเรียกตัวทุกข์ใช่ไหมพอเราลืมตัวรู้สึกนี้ปั๊บเราก็จะไปอยู่ในความคิดพอความคิดมันก็นําไปสู่ความอยากความหวังตัวนั้นคือสมุทัยพอลืมตัวปั๊บมันเข้าไปอยู่ในความคิดตัวสมุทัยเกิดแล้วแต่พอมารู้สึกตัวปั๊บความคิดนั้นหลุดไป รู้รู้ตึกกลับมาตัวนี้เป็นนิโรธเพราะความคิดเนมันดับไปเป็นนิโรธแล้วใช่ไหมที่พอเรามารู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนจนนึกได้บ่อยๆตัวนี้ก็เป็นมักให้ตัวมักคือทําความรู้สึกตัวเนี่ยให้มักหนักแน่นจนกระทั่งว่ามันระลึกได้ตลอดเวลาพอร ล, ลึกได้ตลอดเวลาความคิดที่มันจะดึงไปคิดในเรื่องต่างๆอดีตอนาคตมันก็เข้าไม่ติดที่นี้ใช่ไหมเนี้ยง่ายใช่ไหม ซ, ซึ่งซึ่งมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะแต่อริยัจสี่โดยที่ไม่ต้องไป น, นึกว่าเอออันนั้นเป็นนั้นมันเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วแต่ท่านมาเปิดของที่ปิดเห็นว่าเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนลงทางสูงแสงสว่างในที่มืดภุทธญาติท่านทำหน้าที่สี่อย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นความรู้สึกตัวมันมีอยู่แต่เนื่องจากว่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วก็เราไม่เห็นความสาคัญ พอไม่เห็นความสำคัญเราก็ไม่สนใจมันรู้นะอะไรก็รู้แต่ว่ามันลืมไปแล้วทันทีอะวิชาวิชาวิชาวิชาเกิดแต่ละเวลาพอกระตุ้นให้รู้สึกตัวอะวิชาเกิดอพอเราไม่เห็นความสาคัญตอนนั้นเรารู้สึกตัวมันเป็นของธรรมดาเหลือเกินเนี่ยรู้นะทั้งที่มันคิดก็รู้อยู่นะแต่ความรู้นั้นมันมีนิดเดียวมันก็เลย ถูกความคิดในลากเอาไปกินหมดดึงดูดด้วยวมดเอยมันก็เลยความรู้สึกตัวที่มีน้อยๆเลยเข้าไปรับใช้ความคิดไม่ใช่เราคิดเราไม่มีสติเราก็มีนะสติปัญญาก็มีใครว่างไม่มีสติปัญญาในการคิดยิ่งคิดได้ดียิ่งใช้สติใช้ปัญญาก็ยิ่งคิดแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีกําลังมันก็เลยไปรับใช้ตัวคิดอตัวคิดตัวนั้นมันก็เป็นคิดในทางที่ไม่รู้คิด เกิดจาการลืมตัวทีนี้วิธีแก้ก็คือมาอ่าสร้างตัวรู้สึกก่อนแต่ความคิดไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมาทําความรู้สึกบ่อยๆพอความรู้สึกมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นที่ขึ้นอมันก็เริ่มเห็นตัวคิดแล้วทีนี้เมื่อก่อนมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันใช่ไหมมันก็แยกกันไม่ออกตัวคิดก็อันนี้สติก็อันนี้ปัญญาก็อันนี้ความโลภก็อันนี้ความโกรธก็อันนี้ความหลงมันมาในนําความคิดหมด แต่พอพอเรามาทําตัวรู้สึกตัวบ่อยเข้าตัวความรู้สึกตัวนี้มันก็พัฒนาเรียกชื่อประจำเรื่อยๆนะพอกระตุ้นที่ให้เกิดที่เลีขนาดนาดนี้เรียกว่าสติใช่ไหมให้เกิดเรื่อยลึกทีนนะ่ลี้ยงขนาดพอตัวรู้สึกตัวนี้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าสัมพัชัญญะ อ่าเรียกว่าสมาชัยยะและความรู้สึกต่อเนื่องเนี่ยมันมันตั้งมั่นอยู่นานหน่อยห้านาทีเจ็ดนาทีสิบนาทีเราเรียกกว่าที่ความรู้สึกที่ตั้งอยู่นานๆเรียกว่าสมาธิอ่าเห็นไหมมันเป็นชื่อไปเรื่อยๆแต่ในานามของความรู้สึกตัวเนี่ยพอมันยืดมันไปอย่างต้นไม้อ่าตอนแรกเราเอาวางดินขเขาเรียกว่าเม็ดใช่ไหะแต่มันแตกออกมาเม็ดจะกลายไปเลยกลายเป็นต้นอ่าเป็นต้นเล็กๆต้นอ่อน พอต้นอ่อนมันใหญ่ขึ้นมาอะไรกะต้นไม้ต้นไม้มันแก่ขึ้นมาตามลําดับ เ, เนี่ยไปจากเม็ดนั่นตัวพัฒนาจะว่ามันเป็นคนละอย่างก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ไม่ใช่แต่กฎของความต่อเ น, นื่องเช่ว่าคอนติเนวิตี้เนี่ยมันก็สืบต่อกันมาที่ตัวสติสมาธิตัวสติสัมภาระสมาธิปัญญามันก็เหมือนต้นไม้ตัวหนึ่งที่มันพัฒนามาตามลําดับนั่นเอง เราจะใช้ส่วนไหนของมันทีนี้ว่าเราจะต้องให้ความใส่ใจต่อเนื่องเหมือนกับมเมล็ดเนี่ยเอาไปลงดินแล้วเนี่ยจะต้องให้น้ำให้ปุ๋ยที่เหมาะส ม, มะเมล็ดนั้นมันถึงจะแตกง อ, อกออกรากไปตาตมธรรมชาตของมันตัวรู้สึกตัว น, น้อยๆที่เรารู้สึกเนี่ยเราก็เอามาลงในรูปในน้ำรูปน้านึเหมือนแผ่นดินใช่ และความตั้งใจทําความใส่ใจทําความรักศใจความชอบใจที่ทำเหมือนน้ําเรียกว่าศรัทธาที่เราใยใจที่จะรู้ใยใจที่จะกําหนดใยใจที่จะอ่าให้มันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเรียกว่าศรัทธาแล้วไอ้ตัวพยายามที่จะให้รู้เรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าความเพียรคือวิริยะอตัวนี้ต้องมีนะเบื้องต้นเลยนะ ชอบเยีธรรมรักเยีธรรมตัวรู้ตัวเนี้ยให้มันต่อเนื่องให้มันเข้มแข็ ง, ขงเรืเ่อยเรือเรียกว่าศรัทธาแล้วก็ทําแบบตั้งใจทําแบบไม่ขี้เกียจไม่เบื่อที่จะรู้เขาเรียกว่าความเพียรวิทยะและในเมื่อมันมีความเพียรแล้วมันจะต้องมีสาระของมันสามตัวคือสติสมาธิปัญญาต้องมาด้วยกันถ้ามีแต่สติไม่ไม่เป็นสมาธิสตินี้ก็ไม่สมบูรณ์ถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญา สมาธิก็มันสมบูรณ์สามอันนี้จะเกี่ยวเนื่องกันนะอันนี้คือองค์ประกอบของการที่เราลงมือปฏิบัติดังนั้นในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่มันซับซ้อนเนื่องจากว่าเราสับสนเกี่ยวกับเรื่องการตีความหมายการอ่านมากการฟังมากการาสนทนามากกาจดจำม า, มากคนนี้มันก็จะทำให้เราสับสนมันจะเกิดมาเป็นความคิด ก็ไม่ว่ามันก็มาตั้งต้นใหม่เรื่อยไปตั้งต้นความรู้สึกเรื่อยไปแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆทีนี้เนื่องจากว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยทุปอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเสื่อมสลายและแตกดับนี่กฎเกณฑ์ของมันนะทีนี้เราก็อาศัยกฎเกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทางเป็นทุกข์ทางเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเสื่อใหม่เปลี่ยนแปลงเข้ามันไปในทางที่ ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เสื่อมนะสมมติว่าเอาละความรู้สึกตัวพักหนึ่งรู้รู้สึกในพักหนึ่งแล้วก็ลืมไอ้ตัวลืมนั่นก็คือตัวดับใช่ไหมคือตัวเสื่อมคือมันลืมพอรู้สึกตัวขึ้นมาอา้าวก็มันก็เกิดอพอพอไม่ได้ตามรู้มันก็เสื่อมมันก็ดับไปอันนี้ความเรียกว่าทุกขังอา่าพอดับไปแล้วมันก็เป็นอนัตตา เดี๋ยวพอสักพักพอเรื่องรู้เอาก็เกิดใหม่อีกมันก็เปลี่ยนแปลงมาเกิดใหม่อีกทีนี้เราไม่ให้มันเสื่อมใบเกินไปทำไมก็พยายามรู้บ่อยๆไอตัวเข้าไปรู้บ่อยๆเลยเลื่องลรู้บ่อยๆนี่เองแทนที่มันจะดับใช่ไหมไอตัวรู้มันก็เลยมันไม่ดับทันทีแล้วมันรู้ไปเรื่อยๆตัวเนี้ยตัวภาวนาแทนที่จะเป็นตัวเสื่อมตัวทุขังใช่ไห ก็กลายมาเป็นตัวภาวนาและตัวภาวนาแทนที่มันทุกขังแทนที่มันจะเป็นนัตตาตัวภาวนาพอเข้าไปทำปั๊บมันกลายเป็นตัวอะไรตัวปัญญาแทนที่จะเป็นอนัตตาใช่ไหมเนี่ยคือหลักพอกลับเราบมันคนละเรื่องเลยแต่ตัวต้นมันก็ยังคงเดิมคืออนิจจงเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาแบบที่เบียด์หรือแบบมหายานใช่ว่าทุกขังอ่าที่นี้ไม่เป็นอนิจจ์ อนัตทุกอานิจังทุกขังหน้าตาไม่เป็นแบบอา น, นิจังทุกขังหน้าตาท่านใช้คำว่าอา น, นิจังภาวนาแล้วก็ปัญญาแล้วก็นิพานไปทางนี้เลยไปสายนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกทุกสายเนี่ยไม่ปฏิเสธอา น, นิจังแต่ใช้ตัวอา น, นิจังไปทางถูกเรียกว่าภาวนาใช้อา น, นิจังไปทางผิดเรียกว่าทุกข์ขนาะแล้วผลออกมาจากอ่า ผู้ขาเป็นหน้าตาถ้าพุดออมาจะภาวนามันเป็นปัญญาเห็นไหมอันนี้คือคือตัวลำดับของมันดังนั้นเองการภาวนาการปฏิบัติจึงไม่จําเป็นจะต้องว่าจะต้องอยู่ที่นู่นที่นี่รอตรงนั้นตรงนี้นไม่ทำได้ทุกขณะเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วที่มีการอารู้แต่หวงพ่อเทียนพูดเมื่อกี้ท่านบอกอย่าไปกำหนดถ้ากําหนดแล้วมันจะหนัก คืออย่าไปตั้งใจมากข้างเด่นนะถ้าจังใจมากมันมันจะหนักหน่วงใช่ไหมคือทําแบบสบายๆใหรู้ตามรู้ไปสบายๆอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้จังทุกขังนิพพานอันนี้จังสุขขังนิพพานนิานมหายานใช่แบบนั้น <S <S ดังนั้นเองในจุดนี้เราลองศึกษาเข้ามาที่ตัวเราเอง <S <S ที่หลวงพ่อเทียนท่านมั่นใจคือท่านท่านรู้เห็นตัวเอง นะซึ่งตรงกับคําสอนของพระพุทธเ้าเลยดูตําราต่างๆนั้นนะเพื่อให้เราได้ยินได้ฟังเพื่อเอาม า, อามาศึกษาตัวเองแต่ที่มันผิดพลาดที่แล้วมาก็คือผู้ที่เรียนตําราเนี่ยศึกษาจดจําแทนที่จะมาฝึกฝนมาพิสูจน์ให้ตัวเองก่อนเอาไปจําไปสอนคนอื่นต่อเล ย, เยมันก็พลาดมาเรื่อยๆคนอื่นก็จําต่อแล้วก็สอนต่อจําต่อก็สอนต่อไอ้ความจํามันเที่ยงไหม สัญญาอานิจจาไม่เท่ยงมันก็เลื่อนเลือนเลื่อน อ, อ, องพีม์ก็เลื่อนเลือนคำสอนก็เลื่อนเลือนไปเรื่อยๆอนะฮะจริงในสมัยค ร, รั้งพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าวันนี้านแล้วถึงสี่ร้อยปีนะถึงจะมีการทําศักยนาที่จะจาร์ลงใบลานด้ือเขียนนี่นะแต่ก่อนหน้านั้นใช้วิธีปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองแล้วก็จําด้วยคําพูดคนบอกความรู้แท้แท้เนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันจะรู้กี่ร้อยกี่พันคนมันจะเป็นอันเดียวกัน แต่มันจะต่างภาษากันนะสมมติคําว่าร้อนเนี่ยไม่ว่าไทยร้อนฝรั่งร้อนจีนร้อนใครร้อนก็ต่างมันก็ออกมาเป็นความร้อนภาษากายแต่ภาษาพูดไม่เหมือนกันนะอ่าว่าร้อนอันนั้นว่าฮอตอันนั้นว่าฉี่อะไรก็แล้วแต่ก็ว่าตีต่างภาษาเป็นพันๆตัวต่างออกไปนั้นเขาเรียกว่าสมมุติชื่อของมันนะสมมติแต่ภาวะร้อนเป็นอันเดียวนี่นเขาเรียกว่าปรมัดนะฮะทีนี้ภาวะปวดอะ ร้อยคนพันคนความรู้สึกต่อกันปวดเหมือนกันหมเหมือนกันหมดอ่ารู้สึกตัวล่ะเหมือนกันหมดโกรธก็เหมือนกันหมดเกลียดก็เหมือนกันหมดแต่เลกชื่อต่างกันไปไอ้ตัวที่มันตัวอันเดียดนี่เองเขาเรียกว่าอัลติเมททรูหรือปรมัตัยไอ้ตัวที่มันแยกไปตามภาษาไปดิไปต่อยไปธรรมศาสตรเขาเรียกว่าสมมุติสมมุติตกลงกันว่าไอ้ตัวนี้เรียกมันอย่างงี้นะอาการที่มันเขี้ยวๆนี้เขาเรียกว่าเกลือนะสมมุติคนไทยเรียกกัน พอพูดเกลือรู้จักกันหมดแต่พอไปพูดกวับเกลือกับฝรั่งเนี่ยเขารู้จักไหมไม่รู้จักแล้ว <c oughs> เห็นไหมคือสมมุตนินันเหมาะไปตามแยกก็ไม่ตามดังนั้นฝนตกดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้รูปนามชัดๆคือหมายความรู้สึกตัวตั้งแต่ของจุดเท้าเรียงลาดับอยู่ยงั้น ในภาษาตำรานั้นเขาก็แยกเอาไว้เผื่อคนจะได้สืบสาะสืบสารคนณจะได้จดจําต่อไปได้ถ้านํามาใช้อย่างกายเนี่ยก็แยกเป็นถึงหกหมวดใช่ไหมให้มาดูกายดูลมหายใจลมหายใจแล้วก็มีแล้วก็รู้มันไปด้วยนะเรามาดูการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแล้วก็ทํานั่นทํานี่ก็มีการเคลื่อนไหวมีสองแบบใช่ไหมแบบหยาบกับแบบละเอียดแบบหยาบก็คือ ยืนเดินนั่งนอนเราตอนนี้เรานั่งแต่ใ น, นอาการนั่งเนี่ยมันมีเคลื่อนไหว ย, ย่อยไหมมีในช่วงนั่งเราอาจจะยกมือเราอาจจะพลิกซ้ายพลิกขวาเลียวหน้าเลียวหลังกม้มเงยอย่างนี้ความรู้สึกที่ย่อยลงไปคือเป็นยอิรบทย่อยและในอิริบดย่อยนี้ลึกขึ้นไปมีอีกไหมมีที่เราชวนเมาเกี่้เวทนาเย็นดอนอ่อนแข็งเข่งตึงมีไหมในขณะที่เรานั่งมีก็ให้ไปรู้ตัวนั้นด้วยนะรู้ให้มัน ชัดๆเป็นอย่างๆไปตอนแรกนี่ไปรู้ตัวเคลื่อนไหวมือเสียงให้ชัดๆเสก่อนรู้ลมหายใจเข้าออกรู้การเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนรู้การเคลื่อนไหวของอินรียบดย่อยภาคต า, าปากหายใจเหลวใช้เลยขวารู้ตัวนี้ให้ชัดๆเสก่อนพอรู้ตัวนี้ชัดๆแล้วในตัวกายเนี่ยมันต้องมีเวทนาอยู่แน่นอนเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งจึงเจ็บปวดมีอยู่ไม่มากก็น้อยไม่หนักก็เบาหลัก ต่อไปพอความรู้ตัวนี้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราก็เลื่อนไปรู้เวทนาอรู้เวทนาคือหมายของว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทั้งหลายอย่างหายใจแล้วก็มีนั่งแล้วก็มีเคลื่อนไหวแล้วก็มีเจ็บปวดแล้วก็มีคิดแล้วก็มีอารมณ์แล้วก็มีมันเกิดขึ้นทีเดียวเนี่ยทั้งหลายๆอย่างทีนี้เราจะดูอย่างไหนก่อนท่านบอก อันไหนที่มันชัดให้ดูอันนั้นเหมือนกะโยมไ ป, นะไปเก็บผักนี่นะไปเก็บผักสมมไปเก็บตําลึ ง, งนะี่นโยมจะหาดูอะไรมันก่อนดูใบยอดอ่าอดูในส่วนที่เราจะเก็บอะคือคือยอดมนันอะใช่ไหมแต่ทีนี้ถามว่าตําลึงมันเท่าเยอะแยะเนี่ยจําเป็นต้องไปดูมันไหม มีใบมีลูกมีอะไรเพราะเราไม่ต้องการตัวนึงแต่เราต้องการแต่ยอดมันใช่ไหมเราก็ไปดูแต่ยอดมันแค่นั้นในเรื่องร่างกายของเรามีความรู้สึกอะไรเยอะแยะที่เราจะไปดูไหนดูยอดของมันยอดคืออะไรคือความรู้สึกที่มันชัดๆในขนาดนั้ น, น, นก็เลยยอดของมันหรือไปไปผลไม้นะผละไม้ทั้งต้นเนี่ยอันนั้นมีเปลือกมีใบมีกิง่งมีก้านเราไม่ได้ดูเราไปดูอะไรมันดูลูกที่เราจะไปสอยเอานะั้น อันนั้นคือเอาฝลนะวันนั้นที่ในร่างกายของเรามันก็มีความรู้สึกทั้งหลายอย่างใช่ไหมเราจะไปดูอะไรก็ดูในส่วนที่จะมันชัดๆที่เราจะให้รู้สึกตัวชัดๆกับมันเท่านั้นในครั้นี้สมูงขณะยกมือเนี่ยความรู้สึกอื่นมันชัดกว่าอย่างปวดขาเนี่ยมันชัดใช่ไหมเราจะมายกมืออย่างเงี้ยไหวไหมมันขัดแย้งนะอมันขัดแย้งเพราะฉะนั้นต้องไปดูไอ้ตัวที่มันปวดเราดูมันเฉยๆได้ไม่ได้เพราะมันทนไม่ได้ดูมันแล้ก็ แล้วก็เลื่อนการเคลื่อนไหวที่มือปมามาที่ขาแล้วก็เห็นความรู้สึกที่มันปวดปวดไม่ขี้หายไปละตรงนั้นเราเด่นยอดไปแล้วใช่ไหมเอายอดมาไว้นี่งใหม่เอายอดมาไว้รู้สึกใหม่ อ, อ, มม อ, อ, มมอ่ขณะที่ทํารู้สึกมันหายใจไม่อิ่มนะ <c oughs> มันอ่ายังไงไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนยอดจากการตรงหลุดมาอยู่ที่ดึงลมหายใจชัดๆใช่ไ่าเห็นไหมยอดมัน ที่พุ่ตําลึงเนี่ยยอดมันขึ้นที่เดียวไหมเยอะแยะไปหมดอันนี้มันในร่างกายมันก็มีหลายยอดนะหลายยอดแต่ว่าเราดูยอดที่เราจะเด็ดเท่านั้นอยอดที่เราเด็ดแล้วเราก็ไปดูยอดใหม่ยอดนี้เราเด็ดแล้วก็ไปดูยอดใหม่ยอดเมื่อกี้คือยกมือเนี่ยอ่พอมันไปเกิดปวดขายอดใหม่งอกอยู่แล้วใช่ไหมเอาไปเด็ดยอดนั้นอ่เด็ดยอดเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติอันเดียวกันเลยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคย กับภาษาแบบนี้แล้วมันก็ได้ฝึกฝนแบบนี้ก็เลยเห็นเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ภาษาปริยะท่านจะว่าไว้อ้มากมายอลังการเป็นภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษเอามาใช้กันทำให้สับสนงงนั้นพรุทธเจ้าท่านเผยแผ่ท่านจะใช้ภาษาพื้นถิ่นนั้นพรุทธเจ้าท่านมีคุณสมบัติอย่างคือเป็นนิลุกติ ปฏิปทาคือหมายว่าท่านไปที่ไหนท่านก็ใช้ภาษานั้นได้เลยอันนี้ความวิเศษทางด้านนะคือใช้ภาษานั้นคือสมมุติว่าอามาจะเอาภาษาไทยเอามาพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะพูดยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเจ้าของภาษาเขาใช่ไหมเราก็ไปสอนคนหนึ่งที่มันฉลาดที่เขาสามารถเข้าใจภาษาเราได้ก่อนแล้วให้คนของเขานไปสอนกันเองที้งเขาจะเข้าถึงกันเองอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเรื่องสมมุติภาษานี่สําคัญนะ เอาละทีนี้เรามาดูว่าถ้าดูตัวรู้สึกตัวที่เราเห็นเนี่ยสมมุติว่าอาณนาขนานั่งยกมือเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ปวดมันได้เมือเ่อยแต่มันร้อนนะเอ๊ร้อนนี่มันไม่ได้พลิกแล้วหายเลยเหมือนปวดนะใช่ไหมมันร้อนทําไงบางยอดก็เหนียวหน่อยเด็ดยากใช่ไหมอย่างนี้ยอดผักเช่าอมเนี่ยเด็ดยากเป็นน้ำด้วยนะมาทาไงก็เอากรรไกรไปตัดเอาใช่ไหมคือเอา มือไปเด็ดยอดวิจับพัชโอมที่เป็นหนาวมาเยอ่ไหมเดี๋ยวปักมือเอาเวทนาบางตัวเนี่ยมันมีหนาวคือมาอย่างความร้อนความหนาวเงี้ยใช่ไหมแ้วจะพิกีตตลบมันก็ยังร้อนทั้งหนาวใช่พมันเป็นอาการโดยรวมที่นี่ต้องตัดตัดยังไงตัดเวลาไปอาบน้ำไปใส่เสื้อไปเพิ่มฮีตไปเพิ่มแอร์แล้วแกตัดเวลานั้นออกไปเพิ่มนี่ เพรฉนั้นอันนี้คือรายละเอียดที่เรามองเห็นได้ชัดนะ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมเป็นชีวิตประจำวันของเรานี่แหละแต่เนืเ่องจากว่าเรานึกไม่ถึงก็นึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของภายนอกไอ้ที่เราปฏิบัติเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องภายในเราแยกกันะ่ะแต่ความจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าสมมุติเอาแล้วนั่งเนี่ยการปวดก็มีร้อนหนาวก็มีทั้งปวดทายอะ่ะใช่ไหมยอดมันเปลี่ยนไป เ, ปเรื่องปวดทายแล้วใช่ไหมอ้าวปวดทายนี่จะทนไหวไหม ทนไม่ไหวก็ตัดเวลาไปขอเข้าห้องน้ำหน่อยเนี่ยเห็นไหมคือชีวิตประจำวันกับการปฏิบัติแต่ให้ระลึกให้ไหวบางทีนะเรากำลังสวดมนต์อยู่ขณะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดลูกก็คือการจดจำการตั้งใจในสิ่งที่สวดมนต์ทั้งไวด้วยทั้งชัดด้วยเนี่ยถ้าหลงคิดไปเรื่องอื่นภัพบนึ่เป็นไงหลงเลยใช่ไฮะฟูดผิดฟูถูก เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคอนเซนเทรตคือตั้งใจมุ่งให้เห็นไอ้สิ่งที่เราสวดชัดๆเลยทั้งเสียงก็ชัดกันเห็นก็ชัดแต่มาสวดไปทุกวันทุกวันเนี่ยพอเราคอนเซนเทรตไม่ได้ตอนหลังมาทำไมไม่ต้องถือหนังสือเลยแต่บางคนสวดสิปียี่สิบปีไถือหนังสือเฉยเพราะแสดงว่าขณะที่สวดเนี่ยส่งใจไปถึงอื่นด้วยมันถึงไม่จําคิดไปนิดแป๊บคิดไปนิดแป๊บไอท้ที่ที่สวดได้เพราะมันคล่องปากเฉยเฉยนะเพราะอะไรดูหนังสือ เพื่ะะนั้นพอเราคอนเซนเทรตไปที่หนังสือสักสิบครัง้งยีสบครั้งมันจําละนะแต่บทไหน ย, กยากๆมก็จําช้าหน่อยนะโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจใจจานะแต่มันเป็นไปเองเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของสติสมาธิมันทําหน้าที่ของมันเองแต่เมื่อก่อนที่สติสมาธิเราไม่ได้ฝึกฝนหูบทกดแต่บทก็จะท่องจําได้นะออทั้งแช่เวลานานพอจําได้ก็ลืมไปอีกแล้วนะทีนี้ถามว่า ในขณะที่เราทำอันใดอั์หนึ่งแล้วมันมีความคิดแทรกเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอำนาจของอะไรเพราะอำนาจของความลืมสติเรียกว่าอาวิชชาอง่ายๆตรงนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนเยเพราะลืมสติคืออวิชชาแต่ถ้าสมมุติว่าเราชนมน์อยู่ล้วคอนเซนเทรตไปที่บทเนี่ยตรงนี้บางทีต้องใช้ คุณวิเศษบ้างคือหมายคําว่านึกถึงภาพสมมติเราว่านาโมตัดสะเพราะว่าตัวอรหัโตท่านใช้ว่าตรงนั้นต้องใช้อโลกะกะ ส, สิงคือแสงสว่างนึกให้เห็นภาพจินตนานการให้เห็นภาพของนาโม ต, ตัวเบลลมเลยนะขึ้นมาจินตนานการที่เวลาสวดมันก็เด่นชัดใช่ไหมแต่พอลืมสตินิดเดียวภาพมันหายวัดเลยนาโมก็หายไปจากหัวเราเหมือนกันนะดังนั้นตรงนั้นคือวิธีการ ทีนี้ถามว่าในช่วงที่เราทำอะไรแล้วมันเกิดไม่ชัดไม่เจนมันเบลอมันพลาดเพราะอะไรเพราะความหลงหลืมเพราะอาวิชชาอะไรทำให้เกิดอวิชชามันก็ยอดของมันล่ะคืออวิชชาคือการไม่ไม่รู้เท่าทันนั่นแหละนะเพราะนั้นอวิชชาจึงเป็นเหตุต้นของทุกทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เราก็มาสร้างตัววิชาขึ้นมา คือคอยระลึกบ่อยๆวิชาในที่ไม่ได้หมายคนจดการจําการเรียนการรู้นะวิชาในคือความมารู้สึกในสิ่งนั้นชัดๆ<ม>คําว่ามีอยู่สี่คำนะเขาใช้แทนกันนะเวลาเราสวนในธรรจกักจักขุอุทาาัปะิยานังอุทาาัปะิปัญญาวิทาาัปะิวิชาวิทัปะิอาโลโก้ทาาัปะิใช่ไหมในคําว่าจักสุตาตาไหนเนี่ยมันมีคำสี่คําหนึ่งยาน สองปัญญาสามวิ ช, ชาสี่แสงสว่างใช่ไหมยานเกิดขึ้นแล้วแกเราปัญญาเกิดนแล้วแกเราวิ ช, ชาเกิดขึ้นแล้วแกเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราเวลาเราสวดในธรรมจกักรหมายความว่าดวงตาในของเรามันจะเกิดแต่เมื่อมียานคือรู้สึกตัวปัญญาคือรู้ชัดแล้วก็วิ ช, ชาคือรู้ทั่วชัศก์วิแล้วก็อโลโกสว่าง ถึงว่าเรานึกภาพอะไรปั๊บสิ่งนั้นสว่างว่าขึ้นมาในใจเลยไม่ใช่นึกไม่ออกแล้วสวดมั่วไปเงยนึกถึงกรณีกันนึกโอกรณีว่าขึ้นมาในใจกรณียมาตะกูสเลยนะยันตังสตังปะทั้งมันก็ไปเข้ามันเลยทีเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปแล้ลึกทีละคําสองคำเหมือนเราเห็นอะไรปั๊บก็เห็นทั้งหมดเลยใช่ไหรือไม่ต้องนึกเห็นทีละส่วนอันนั้นเขาเรียกว่าตาในมันชัดดันั้นการจะฝึกตาในชัดก็ฝึกตัวรู้สึกตัวนี่แหละไม่ได้ไปไปไปทำอะไรพิสดารดอกนะ เมื่อก่อนอนามาชอบฝึกเนะเวลากลางคืนเนี่ยแล้วก็เดินไปตามม่เห็นเนี่ยแล้วเจรินถูกหรือบางทีเราก็หลับตาเดินมันงอันนี้ก็เรียกฝึกตาในแบบแบบจิตวิญญาณนะเขาบอกเออถ้าหกลับตาเดินโน้นจะสร้างแสงสว่างภายในอันนั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงคือดูตัวรู้สึกที่เรายกเราเคลื่อนเราไหวชัดๆเท่านั้นเองไอ้ตัวชัดภายนอกมันก็จะไปชัดภายใน ตัวชัดภายนอกเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวชัดภายในเขาเรียกว่าอะไรยานปัญญาอ่าเห็นไหมถ้ามันชัดข้างนอกเลยชื่อหนึ่งแต่ชัดข้างในอีกชื่อหนึ่งแต่อาการอันเดียวกันแสงสว่างทีนี้เอาละเรามาลึกจะลึกถึงในตัวเราเนี่ยเห็นคนรู้สึกชัดเจนหมดตลอดทั้หมดตัวเท้าเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ร่วมกันทั้งสติสัมผัญญาสมาธิปัญญาทำหน้าที่ร่วมกันหมด แต่ว่าพอมันมีความคิดผ่านเข้ามาปุ๊บความชัดที่เรานึกๆึกในในตัวเป็นไงหายไปเลย<ป>เอภิชาเข้าแล้วใช่ไหมจากนั้นความคิดก็เขา้าพอความคิดเขา้าความโลภ ก, ก็มาความโกรธก็มาความหลงก็มามาได้กันหมดอันนี้คือความยากของมันนะเอาละทีนี้สมมุติว่าเห็นชัดๆลงไปอีกสมมุติว่าเรากําลังดูหนังสือสวดมนต์อเนี่ยอ่านดูไปมาแวะมันไปคิดอันนั้น อะไรแทรกเข้ามาความคิดเป็นความโลภแทรกเข้ามาความโลภคืออยากจะรู้ในเวลาเดียวหลายๆอย่างใช่ไหมในเวลาเดียวอันนั้นก็จะรู้อันนี้ก็จะรู้สวดก็จะสวดคิดก็จะคิดนึกก็จะนึกความโลภมันเกิดแต่มันมาในนามของความคิดนะ อ, อ้าวพออาวพอลืมสรุดปับ๊บเอาไม่พอใจกลับมาดูใหม่ความโกรธเกิดแล้ว <S <S อ่าเห็นไหมอา้าวแลพอไปสักพักเนหะลงลืมอีกแล้ว ความโมหะมันเกิดโอนเวียงเนี่ยในชีวิตจวันของเราดังนั้นในวิธีการปฏิบัติท่านบอกว่าให้ชัดเจนเป็นอย่างย่างไปท่านเรียกว่าสมาธิอย่างเ <c oughs> มื่อวานนะมีคนส่งเมลมาให้ตมาหมอคงศัก์ส่งถึงภาพเขาเรียกว่ามายานะที่ยงเคยเห็นไหมภาพที่เราดูเนี่ยมันเคลื่อน มันมันเป็นเขาเรียกว่าไอ้พวกที่เขาไอ้สร้างความเหลื่อมล้าทางใช้สีใช้แสงเป็นตัวลวงนะเราดูแล้วมันเคลื่อนยุบยับ ย, ยุบยับแต่คนจริงพอเราเพ่งจริงๆใช้จุดภาพทั้งหมดไม่ได้เคลื่อนแต่เราพอมันดูผนผื่นภาพทั้งหมดไม่เคลื่อนโยเคยเห็นไหมภาพแบบนั้นนะถา้าเป็นสามิติของนั้นนะ่ะแต่พอยดูจุดได้จุดหนึ่งมันหยุดนิ่งทุกจุดหยุดนิ่งหมดแต่ถ้ารู้แบบผุนผื่นมันกลับเคลื่อนมูฟไปมูฟมา นั่นคือมายาของจิตเพราะอะไรเพราะความไม่ชัดเจนความมายาของจิตความคิดเกิดขึ้นเพราะสมาธิไม่มีหรือมีน้อยภาพมันก็จะเบลอเบลนก็จะเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการเคลื่อนไหวเราก็ตัดสินใจผิดในเรื่องนั้นเพราะนั้นความคิดมันเกิดขึ้นเพราะความไม่ชัดเจนความคิดเกิดขึ้นเพราะความไม่ชัดเจนในแง่ของการเฝ้าดูเอามาได้สติอ๋ออย่างนี้เอง ะะที่มายาต่างๆที่มันเกิดขึ้นผสมปรรวมกันเป็นความคิดอย่างโงน้เนี้ยพราะมันเกิดกันหลายๆตัวมันผสมกันแล้วเราไม่ชัดสักภาพนึมันก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาพอเราตั้งใจดูความคิดจริงๆความคิดนั้นอยู่ไหมไม่อยู่หายวับเลยใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวเรานี่มันสอนวิปัสนาอย่างดีเลยนะเพราะฉนั้นมายามันเกิดขึ้นจากกันหลอกลวงของสีของแสง แล้วสายตาของเรามันกรอกไปกรอกมาทําให้เราภาพนั้นที่มันนิ่งๆมันเคลื่อนนะเพราะเนื่องจากระบบประสาทสายตาของเรามันมันมันลวงในตัวของมันเองคือจริงมันก็คือทําหน้าที่นั่นแหละแต่ถ้าเราจะให้จิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วเราต้อง่าตั้งจิตไปจุดใดจุดหนึ่งไอ้สิ่งเคลื่อนไหวทั้งหมดมันจะหยุดพราะจิตของเราเดี๋ยวดนิ่งอยู่ในอ่ายตระรอันเดียวสมาธิก็เป็นอย่างนั้น่ะ ดังนั้นขนาดในสิ่งที่เป็นวัตถุนะมันยังลวงเราได้ขนาดนี้ลวงสายตาเราได้ขนาดนี้แล้วในแนนามาทํามันจะหลากหลายขนาดใ น, นอันนี้แหละคือความเป็นยากสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไปสมมุติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอื่นไปเลยสมมุติเรื่องเป็นสีเป็น้างเป็นวิญญาณเป็น เทวดาอินพรมยมยักษ์เป็นอะไรไปตามเรื่องของมันแล้วแต่ภาวะไหนมันจะขึ้นมาหลอกเราแต่คนจริงๆนั้นบัญญัติตามอาการของจิตเนี่ยแต่คนจริงๆแล้วจริงๆก็คือภาวะที่เราสัมผัสได้เนี่ยเออถ้ามันสงบมากนานๆเราก็เรียกว่าพรมซะเออสงบพอดีพอดีใจเราสบายใจเราใจดีใจงามใจอ่าอยากให้เราก็เรียกไปสมมติว่าเป็นเทวดาใชจิตแบบนั้น เ, ออเราเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ อหลอกแหลกเล้วไหลเราก็สมมุติภาวะจิตว่าเป็นมนุษย์ซะใช่ไหมในถ้าเราเป็นคนโลภอยากได้เกินจําเป็นอยากได้เกินความต้องการแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นไปสมมุติว่าเป็นเปรตใช่ไหมใ้าเราเป็นคนหัวเดือหัวลั้นเอาชนะฆาคารคนอื่นทกเทียงเราก็สมมุติจิตนี้ว่าเป็นวิเลชานใช่ไถ้าเราเป็นคนมีจิตใจร้อนล้นกระวนก็ะวายอยากตีอยากดา่าอยากฆ่าอยากทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ไปสมมติจิตนี้ว่าเป็น สัตว์นรกใช่ไหมไปจากจิตดวงเดียวมันมีหลายมิติมากเลยแต่ทีนี้ไอาการสอนเนี่ยคนสอนเนี่ยไม่ได้สัมผัสมิติเหล่านี้ใช่ไหมก็ไปสมมุติเอาที่เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพขึ้นมาเรียกว่าสมมุติคนไม่เข้าใจสมมติจิตของตัวเองก็ไปกลัวภาพวันนั้นไปกลัวนรกใช่ไหมแต่ไอสิ่งที่ความเดื อ, อดร้อนในใจของตัวเองกลับไม่กลัว mm hmm. เออไปกลัวนรกข้างหน้าที่เขาสมมุติว่าเป็นไฟเผา mm hmm. เอาไม่ขึ้นอั น, นเขาสมมุติภาพขึ้นมา มือนกับที่เราพูดกันเมื่อวานว่ า, าพุทธเจ้าบรรลุธรรมพ้นแม่ธรณีช่วยใช่ไหมนางแม่ธรณีปูดขึ้นมาแล้วก็บีบมวยผมอันนี้คือส ม, มุติของมันแต่ปรมาตาทของมันคืออะไรความจริงของมันก็คือความอดทนและปัญญามาแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงมาเรียนรู้ในความจริงอันนี้ก่อนว่าเบื้องต้นที่สุดที่เราเรียนรู้อันนี้ก็คือให้เรียนรู้ลูกกับนามทุกอย่างเริ่มไปจากนี้ทั้งนั้นในโลกเนี่ย มันจะมีแค่สองอย่างนี่ที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้คําว่าอะไรส า, สารกับพลังงานใช่ไหมส า, สารก็คือรูปพลังงานก็คือนามนะแค่สองอย่างทีนี้พนในภาษาศาสนาเบื้องต้นเราใช้คําว่ารูปกับนามแล้วบอกว่ากายกับใจได้ไหมกายกับใจมันจะไม่โคบ้วทั้งหมดเพราะกายกับใจก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปกับนามนะอย่างในกายนี่มันจะมีรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นส่วนหนึ่งของรูปหมดแต่ในส่วนน้ามก็คือใจเนี่ยมันก็จะอ่าว่วถึงเพราะฉะนั้นเวลาเรากํหาหนดนี้รูปคืออะไรคือส่วนที่มันเคลื่อนไหวให้เห็นชัดๆไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวหเห็นชัดๆนี่เป็นรูปอะไรรูปหยาบๆใช่ไหมเอาในในขณะเคลื่อนไหวเนี่ย ที่มองมาเห็นกำลังเคลื่อนไหวอยู่มีไหมเนี่ยมาหายใจเข้าออกเนะี่ยยมเห็นไหมไม่เห็นได้ไหยอ่ารูปละเอียดไปล่ะในขณะที่นั่งเคลื่อนไหวเนี้ยรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งขตึงแล้วร่องกายเนะี่ยยมมองเห็นไหมไม่เห็นแต่มีอยู่ใช่ไหมแนะ่ไนหะรูปบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่แนะ่ดังนั้นพอเบื้องต้นเนี่ยท่านให้เรียนรูปที่มันห ย, ยาบๆนี่ก่อนเพื่ออะไรเพื่อความชัดเจน ให้ชัดเป็นขั้นตอนไปดังนั้นเวลากรรมาฐานที่เริ่มต้นเลยรวมหายใจมกักจะถูกหลอกมากเพราะมันเป็นรูปละเอียดเกินไปมันไม่ชัดใช่ไหมมันก็เข้าไปอยู่ในความคิดได้ง่ายเข้าไปอยู่ในอความรู้สึกที่ฟุ้งฝันได้ง่ายเพราะเป็นภาพละเอียดเกินไปแต่หลวงพ่อเทียนเขาใช้มือจะมันเห็นชัดๆตาก็สัมผัสใจก็สัมผัสในความชัดเจนเนี่ยพอต่อไปพอมันเห็นรูปตรนี้ชัดพอกําหนดหายใจมันก็เห็นชัดเลยใช่ไหม พอไปกำหนดเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงที่มันเกิดขึ้นก็เห็นชัดเพราะมันชัดไปจากรูปแล้วมันก็ชัดไปกรรมรงดับพอไปเห็นจิตที่มันคิดก็ชัดไปอีกไม่ไม่ไปเพราะอะไรเพราะจะไปดูจิตเนี่ยกด็ดูดูตัวเวทนาเพราะเวทนาถือว่าละเอียดเป็นรูปที่ละเอียดแล้วนะพอเราชัดในรูปละเอียดระดับของกายต่อไปมันก็จะเป็น รูปอยาของความคิดก่อนไปเห็นความคิดเหยาบหยาบเช่นความพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นความคิดเหยาบหยาบใช่ไหมความชอบความชังความโกรธอะไรเป็นเป็นของหยาบหยาบก็ให้รู้ทันอันนั้นก่อนแล้วก็ความคิดอะไรที่มันสร้างขึ้นมาทันทีทันใดเนี่ยเราเจตนาคิดเนี่ยเจตนาคิดขึ้นมาให้เห็นชัดๆแล้วก็เห็นความคิดเหยาบหยามนี้ไปเสียก่อนนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเข้าใจแล้วนี่ แม้แต่ความคิดเราก็สร้างขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาเพื่อเราจะเห็นมันอ๋อความคิดมันเกิดอย่างนี้นะอ่อทีนี้ความคิดที่เราคิดขึมม้นมาเมื่อกี้มันยังอยู่หรือเปล่าอ๋อมันหายไปแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเริ่มเห็นการเกิดการดับของความคิดที่ห ย, ยาบๆแบบนี้ก่อนฝึกฝนอยู่เตรงนั้นแหละนนี้คือการฝึกฝนาการซักซ้อมอย่างช่างซ่อมรถเนี่ยกว่ามันจะเป็นช่างได้เนี่ยมันผ่านการซ่อมมาครั้งสองครั้งมันเป็นไหมร้อยครั้งพันครั้ง หมืน่นครั้งแสนครั้งเยว่หช่างตัดผมหนึ่งคนมันจะตัดผมเป็นมันตัดมากี่หัวเป็นร้อยหัวพันหัวเยอะไปเยอะไปอันนี้เหมือนกันการสังเกตเนี่ยวเวลาจะสังเกตชั่มิชั่นาญชัดเจนเราก็ต้องสังเกตเป็นหมืน่นครั้งแสนครั้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่ฉันใช้คำว่าอาสงไขแสนกลับคืออย่างเนี้ยคือใช้เวลาเยอะใช้ความชํานาญเยอะท่านเดิเลยไปเปรียบเทียบอันโน้นอันนี้ทําให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องยากแต่ความจริงไม่ยากหรอกนะ มาว่อวานม า, มาพูดกระยมว่าว่าโยมอโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากลึกซึ้งนะมาเลยถามว่าโยมเป็นแม่ครัวมาก่อนนะเป็ในแม่ครัวมานานนะเรื่องการทําอาหารเนี่ยยากไหมบอกสำหรับโยมไม่ยากเพราะอะไรก็ทําทมาบ่อยมาทุกวันนะนะแต่ที่นี้คนใหม่เข้ามาเขาไม่เคยทําอาหารนึกเขาบอกโอ้อาหารชนิดยากเลยฉันทําไม่ได้ก็นแน่นอนคุณยังไม่เคยทําคุณก็บอกว่ายา ที่เราบอกว่ายากเพราะเรายังไม่เคยทําหรือทําน้อยไปมันยังยากอยู่แต่ถ้าเราทําสิ่งนั้นบ่อยๆสิ่งนั้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายอง่ายแล้วเราจะบอกว่าไม่ยากละไม่ลึกละเพราะอะไรเพราะเราทำได้แล้วอันนี้คือในส่วนของที่เราเรียนแบบพุทธศาสนาคือทุกอย่างต้องชัดเจนตามความเป็นจริงไม่ได้หลับตาหนึกงไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้คิดเอาเพื่อนเถอที่ี่แม้กระทั่งภาวะที่เป็นนามธรรม啊 มันก็ต้องมีความชัดเจนแบบนมามธรรมตารูปธรรมเนี่ยเราใช้ตานอกใช่ไหมแต่พอแทบเป็นนมามธรรมเราก็สร้างตาในขึ้นมาสร้างตาในคือสร้างยังไงอย่าคิดว่าเบี้ยสร้างวิชาสร้างปัญญาสร้างยานสร้างแสงสว่างขึ้นมาแล้ววิชาปัญญาแสางสว่างเกิเอะไรก็คือความรู้สึกตัวที่เราฝึกนี่แหละพอฝึกน้อยๆมั น, นก็จเจริญไปเรื่อยๆมันจเจริญแบบไหนไม่ต้องไปสงสัยอย่างตัวไม้พอ เอาเม็ว่าขามลงถังปั๊บเนี่ยไอไม่ได้ขามนี่มันเจริญไปอะไรบ้างเราไม่เคยสงสัยเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันโตขึ้นอย่างนั้นอตอนตอนแรกมันก็เป็นต้นอ่อนพอทิ้งไว้สักเดือนมันก็โตขึ้นมาพันนี้ปีหนึ่งโตขนาดนี้สองปีโตขนาดนี้เราก็เห็นธรรมชาติส่วนรูปนั้นนะชัดเราไม่เคยสงสัยธรรมชาติส่วนนามก็เหมือนกันมันก็เติบโตแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าเราไปสัมผัสไม่ได้เราไปเห็นไม่ได้ด้วยตาหน้าเท่านั้นเองแต่ต้องใช้ตาในา เพราะนั้นเวลาอ่ผู้ที่เจ้าแสดงธรรมท่านบ่กเธอได้ดวงตาหินธรรมแล้วเขาว่าดวงตาหินธรรมมันไม่มไหพึ่งตนันเงินมาถึงตาไหนท่นี้ท่านต้องการที่จะให้เรื่องเนี้ยเป็นที่จดจําเป็นการกระทําของคนที่ยังไม่รู้ก่อนท่านเลยไปสร้างสัญลักษณขึ้นมาอย่างเวลาเราไปจุดเทียนบูชาพระเนี่ยเจุเ ด, ด, ด, ด, ดที่เล่มเทียนน่ะนะแสดงว่าเม่อเขาได้ไปวัดเลยนะ ไอ้พี่จ่าและเทียนเนึ่ยที่เทียนกี่เล่ม อ, อโอไม่ได้ไปวัด น, นะหม อ, อ, อไม่เคยไปกราบพระหน้าวัดหน้านพระเลยนะก็มีใจกันอยู่สองอันน่ะใจกันที่จากกาะตั้งทูปอะซ้ายขวาแค่นั้นเองเนี่ยก็มีแค่สองเล่มอดอกไม้ก็มีสองข้างได้ไหมเ้าแต่ตรงกลางจะมีกระถางทูปมีสามเล่มแล้วพุทธลูกมีกี่ลูกอะ ก็มีรูปเดียวน่นอยแต่หลายองค์หน่อยเท่ น, นึ้โอ้เสดงยมาอาการหนักเ่ยนะว่าจุดเทีย น, น, นบูชาพระเนี่ยใช้กี่เล่มอ๋อใช้กี่เลม่มหืออันนั้นถูกเสดายมไม่รู้จักถูกห น, นึ่งเล่มเอิห น, นึ่งเล่มเราะบูชาคุณตายเออไม่ได้เข้าวัดมานานแล้วไม่ได้เข้าวัดมานานเอนนนอนน จะต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ที่มายกมานี่เผื่อให้เห็นว่าการสอนสัจธรรมที่เป็นนามธรรมเนี่ยถ้าคนยังไม่เข้าใจเขาจะทําออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมเสียก่อนเขาจะสอนว่าเออในการศึกษาผู้ศาสนาคุณต้องมีตาสองตานะคือตานอ ก, กับตาในไอ้ตานอ ก, กับตาในตานอกคนรู้เรื่อยไอ้ตาในเป็นยังไงกคนไม่รู้เรื่องท่านก็จุดเทียนให้เป็นเศรษลักษณ์สองเล่มก็คือควรมีตาสองตา ไปถามระดับนักเรียนอ้าวนักเรียนคนเรามีตาขีตาสองตาครับตาไหนว่างตาซ้ายกับตาขวาอ้าวตาซ้ายตาขวานี่มันอ่ามันเป็นตานอกหรือตาในตานอกอ๋อตาซ้ายตาขวาก็เรื่องตาเดียวนะคือตานอกแต่คุณยังมีอีกตาหนึ่งอาวไอ้หนูเอามือกำอะไรข้างหลังก็กำเลยดิกำตอนนี้มืออยู่ข้างหลังกำหรือแบรกำครับอรู้ได้ไง ตาเธอไม่เห็นนะเขาเริ่มคิดละ mm. อะไรอยู่ในมือดินสอครับ mm. เอา้าเธอเห็นไหมไม่เห็นอ่ะทำไมเธอรู้ว่านั่นคือตาในคนอื่นเขารู้เธ้อไหมไม่รู้เพราะเขาไม่เห็นนี่คือเริ่มต้นอย่างเนี้ยตาในก็คือความคิดที่เรานึกขึ้นมาเป็นภาพเป็นภาพภาพแต่ทีเราจะสร้างตาในให้มีกลับเข้ามาเนยส่วนใหญ่ตาในเรามีแต่เอาไปใช้แต่ข้างนอกเข้มไหมคิดแต่เรื่องลูกแต่ไม่แนะนําเข้ามาหาเรื่องนาม คือแนะนำเขามาศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเรามองไม่เห็นนะแต่พวาพ่อเธอหน้าตาเป็นยังไงนึกออกใช่ไัมเขาสร้างจิตนาการเป็นตาในขึ้นมาแต่มันเป็นรูปภายนอกเอาแม่เธอละหน้าตาเป็นยังไงจำได้ทันทีน่เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของตาในสรุป เป็นส่วนของตานอกรูปเวทนาสัญญาแล้วถึงเรียกโครงสร้างนี้ว่าขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ว่าย่อขันห้าเหลือสองคือรูปกับรูปกับนามเวทนาสัญญาสังขารมีนนามแต่ควาจริงนามแท้ๆเนี่ยไม่ใช่เป็นนามร้อยเปอร์เ็นตะเวทนาก็ยังครึ่งรูปครึ่งนามอยู่ใช่ไมมันยังสัมผัสได้ที่กายได้ด้วยแต่พอไปมรู้สึกที่ใจเป็นนามมีสองอย่างเสมอแล้ะสัญญาทางรูป สัญญาทางนามอสังขารทางรูปสังขารทางนามมีญาณของรูปมีญาณของนามแยกไปอีกเห็นไหมวันนั้นเป็นรูปเป็นนามไปตัวสังขารที่เป็นรูปเช่นร่างกายขนาดนี้เป็นสังขารใช่ไหมโอ้สังขารไม่ดีเลยสังขารโทรมคือกายมันเสื่อมละก็เรียกสังขารในตัวสังขารนี่ก็คือเย็นล้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี่มันปรุงก็เรียกสังขารกาย จะสังขารจิตมันอยู่เฉยๆมึงกเอาเรื่องนั้นมันนึกเอาเรื่องนี้มาคิดมันก็ปรุงแต่งเห็นไหมในตัวรูปก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวเวทนาก็มีรูปสัญญาสังขารวิญญาณในสัญญาก็มีรูปเวทนาสังขารวิญญาณในสังขารก็มีเขาเรียกว่ามันเป็นบูรณาการตัวหนึ่งก็คอนเทนไว้ทั้งห้าอนแหละแต่เราแยกให้เห็นชัดเท่านั้นเอง เพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยให้เราศึกษาให้เราสังเกตตั้งแต่รูปรนามชัดๆเนี่ยให้เห็นเป็นลำดับไปแล้วมันจะไม่สับสนแต่อย่าไปรีบศึกษาเรื่องปฏิบัตินี่นะอย่าไปรีบแต่ให้ชัดเจนเอาไว้เสมอแต่ยิ่งรีบยิ่งไม่เห็นเพราะอาการรีบเป็นอาการของอะไรของความโลภ<อ>ใช่ไหมอ่าอาการรีบเพราะนั้นคนทำอะไรรีบรีบหมายความมีความโลภจัดมาก่อน เพราะอยากได้เพราะไม่อยากพอมันไม่ถูกใจก็มีอาการรีบก็กลายเป็นร้อนเนี่ยเป็นอาการของอะไรความโกรธอ่าการเป็นลนเป็นอาการของอะไรความหลงะรีบร้อนแล้วก็ล่นใช่ไมเพรภาษาไทยเราวิเศษมากแล้วเพราะมันมันสามารถบอกถึงสภาวะได้ภาษาเดียวแต่ทั้งครบทั้งหมดเลยโอ้ลนลานรีบร้อนไอะไรแบบนี้นะฮะ นี่คือภาษาไทยเพราะฉะนั้นเอามาเองก็ทุกคนไปอย่างนั้นหมดเอามาก็เป็นอย่างนั้นคนรีบคนร้อนคนเร็วคนไวเพราะเรามีความโกความกดความบวมจัดมาก่อนที่พอมาฝึกมันก็ยากหน่อยแต่ยิ่งไม่ฝึกยิ่งหนักเลยความรีบร้อนพวกนี้มันก็ทําให้เผาเราเองนรกก็เผาเราเองเราต่างคนก็ต่างเป็นผ่านนรกมาทั้งนั้นนะ่ะผ่านความร้อนร้นผ่านความวิตกกังวลผ่านความอึดอัดขัดแยง้งรุนแรงมาทั้งนั้นนะ่ะ เราผ่านนรกมานอนแต่นรกแบบนี้เรากลับไม่กลัวใช่ไหเรานอนกับวันเฉยเลย น, ะนอนคิดนอนอพุงนอนแต่งเผาตัวเองนรกแบบนี้กลับไม่กลัวแต่ไปกลัวนรกที่มันเป็นไฟพุ่งพร่าน พ, านพานันพันนรกของนักคอยสั่งมันหลอกเด็กน้าโลษคนที่เชื่อ้ยา คนเชี่งช้านี่ก็เคยเป็นไสเดือนมาก่อนมั้งเคยเป็นเต่ามาก่อนด้วยอ๋อคนชีงช้าจะดีหรือนมัวหะอ๋ไม่เชี่งช้าก็คือโมหะเยอะเกินไปอ่าถ้าโมหะเยอะเกินไปกลายเป็นคนเชีงช้าโทสะเยอะเกินไปกลายเป็นคนไวแต่ร้อนความโลภเยอะเกินไปก็ทั้งไวยทั้งหนักด้วยเนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันจะเออคนเชี่งช้าจะดีแต่ทีนี้ทั้ง โรคโกรธหลงนี่นะถ้าเอาตัวสติตัวสมาธิปัญญาเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันก็จะกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาคือหมายความว่ามันเร็วก็เร็วอย่างมีระเบียบแม่นยำกลายเป็นปัญญาใช่ไหมโทสะกลายเป็นปัญญาแนละ้ถ้ามันอยากก็อยากอย่างมีศิลปะแล้วก็รู้ประมาณกลายเป็นอะไรกลายเป็นศีลใช่ไหม อ่าถ้ามันช้ามันเย็นแทนที่จะเป็นโมหะมันกลายไปเลยกลายเป็นอุเปกากลายเป็นสันโดษเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสเยอะๆถ้าเข้าใจธรรมะแล้วกลายเป็นคนมีธรรมะเยอะเอายี้งเลยกันข้าวที่ยังไม่หุงเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไห ม, ไมพอหุงเสร็จแล้วเป็นไงกินได้ไดยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหม มันก็อันเดียวกันเนี่ยนะอันหนึ่งมันยังไม่ได้ผ่านขบวนการโลกโกหลงแสนชาัดญาเนี่ยก็เหมือนข้าวดิบเหมือนข้าวที่ไม่ดีผมแต่พอมาปฏิบัติปฏิบัติก็เหมือนยกหม้อข้าวขึ้นตั้งไฟเพราะในช่วงปฏิบัติมันยิ่งไม่สนุกมันร้อนมันทุกข์มันอะไรต่างๆมันก็เผาแต่ต้องทนนะถ้าไม่ทนข้าวไม่สุกใช่ไหอหมายความว่าถ้าไม่ทนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนกิเลสนาให้เป็นสติสัมปัญญาไม่ได้ เพราะนั้นนั่งนานๆง่วงก็ต้องทนเบื่อก็ต้องทนเหงาก็ต้องทนปวดก็ต้องทนทนไปทนมาข้างในมันเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้จักตัวโลกโกรธหลงมาเป็นสีสุขที่ปัญญาลืเรื่อยๆเหมือนกับเราตั้งตั้งหม้อข้าวใช่ไหมใส่ไฟไว้เรื่อยๆพอขนาดใส่ไฟมันก็ทําหน้าที่ของมันเลยมันก็เปลี่ยนข้าวที่มันดิบค่อยเป็นสุกมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์เราไปกินข้าวได้โอ้ข้าวนี่ มันดิบข้าวนี่มันแข็งอยา่ามาใช้ทิ้งซะได้กินข้าวสูงไหมเโราะลง ก, กูหลงนี่มันไม่ไมดีทิ้งซะเนี่ยมันเป็นภาษาพูดแต่ความจริงเปลี่ยนมันซะแล้วใช้คําว่า transform เปลี่ยนโอ้มาละกอ น, นี่มันดิบยางกินไม่ได้เบือ่อเมาเอามันทิ้งซะเราจะได้กินมาละกอสูงมันไ ม, ไม่เหมือนกันโอ้โลกกูหลงนี่ไม่ดีของชั่วของเสียเอาทิ้งซะเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง มันก็เล่นงานเลยจริงๆพอเราเปลี่ยนแปลงโลกลุหงกลายเป็นศีลสัมผัิปัญญาเป็นแสงสว่างอ๋อฟืนนิ้วโลกุหลงลังก็ไปทิ้งซะมันจะได้ไฟของข้าวไหมเนี่ยไม่ได้เอามาเปลี่ยนฟื้นมาเปลี่ยนเป็นไฟซะเปลนเป็นพลังงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นกิเลสจึงเป็นวัตถุดิบนะเป็นวัตถุดิบแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไปเปลี่ยนมันมันกลับเป็นตัวประสักเป็นประสัก ดังนั้นอันนี้คือธรรมชาติแล้วล้วนเลยนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนลึกซึ้งนะแต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ดวงตาทั้งสองดวงเรายังมีดวงตาเดียวอยู่เราเห็นข้างเดียวหางเห็นแต่เรื่องวัตถุแต่พอจะแปลงเป็นธรรมธรเราแปลงไม่ถูกเพราะเรายังไม่ได้เกิดดวงตาในเพราะฉะนั้นเริ่มมือเกิดดวงตาในคือเริ่มเห็นความรู้สึกตัวเองเนี่ยเริ่มละเห็นความรู้สึกที่เป็นกายเห <Ĉ> ็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาเห <Ĉ> ็นความ <Ĉ> <า>รู้สึกที่เป็นจิต เห็นความรู้สึกที่เป็นอารมณ์เห็นแบบเป็นชั้นชั้นชนถ้าเห็นทะลุทั้งสามสี่อย่างดวงตาเราลืลมลืมสว่างแล้อีกดวงมันลืมสว่างเห็นทั้งข้างนอกข้างในที่เราเห็นข้างนอกข้างในอ๋ออันนี้โรคอาการแบบนี้เป็นโลคปั๊บเปลี่ยนเลยไม่โรคออาการแบบนี้ที่เราว่าเมื่อกี้สาระคังวา่สาสาระคังจิตตันติปัชานาติเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะราคะมันเหมือนวัตถุดิบตัวรู้เป็นตัวเปลี่ยน แต่คนเฉยๆมีราคาเราเรารู้ว่ามันมีราคามันไม่รู้ราคามันก็ยังเป็นผิษสําหรับตัวเขาเองพอเขาไปรู้ป่าวอ๋อนี่เป็นราคาเพอราคาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะราคาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่นี้มันเกิดมันก็ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ควรไหมเราจะไปเอามันนะไม่เอามันก็ทิ้งได้ทันทีใช่ไหมอ่าเห็นไหมที่เราสวนมาทั้งหมดอ่า คำตอบมาทั้งหมดวิตาละคังว่าจิตตังวิตาละคังจิตตัตนติปัชชะนติเมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะพอมันดับไปแล้วจิตมันก็โล่งปรงสบายก็ให้รู้ด้วยนะนี่คือตัวรู้ต้องตามรู้คนส่วนใหญ่ราคะมีก็ไม่รู้มันไม่มีก็ไม่รู้เพราะอะไรไเพราะไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สร้างวิชาขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวเปลี่ยนสภาวะที่เป็นลบทุกอย่าง จะเปลี่ยนให้เป็นบวกได้ต้องมีตัวรู้เป็นตัวแปรตัวรู้มันไฟใช่ไหมสามารถเปลี่ยนข้าวสุกให้เป็นข้าวเดือดให้เป็นข้าวสุกได้ใช่ไหมสามารถเปลี่ยนแกงทั้งหลายที่มันเป็นวัตถุดิบให้มันเป็นแกงที่สุกได้ตัวรู้คือตัวชานตัวยานตัวความร้อนนั่นเองแต่ว่ารู้นิดเดียวมันจะร้อนให้ไหมเออเาพอติดไฟนิดเดียวเอาเข่าตรงหม้อหนึ่งติดไฟเดียวเดียวมันไม่สุกให้ใช่ไหมต้องรู้มันนาน การรู้ระนานเขาเรียกว่าฌานหรื อ, อยานเหมือนกระโยมสมัยเป็นเด็กๆ เ, เอาอะไรเอาแมกเนตนะลิตรบอลเลนสูมาเล่นใช่ไหมมาหมุนหาไอ้รวมแสงนีพอจับมาปักหนึ่งมันมันรวมไม่ได้นะมนีจยต้องมาหมุนหาเหลี่ยมหามเมนต์ใช่ไหมจึงกระเด็นแสงที่มันพลาดออกไปนี่มันรวมรวมรวมรมข้นมาเป็นจุดเดียวมันก็จากแสงที่มันไม่ไม่ร้อนกลายเป็นแสงที่ร้อนร้อนแรงความรู้สึกตัวง่ายๆเบาๆเนี่ยจากที่มัน ไม่ชัดเนี่ยพอทําบ่อยเข้าบ่เข้ามันชัดเลยมั้ยพอชัดมันก็ไปเห็นกายเห็นใจชัดตัวนั้นเรียกว่ายานปัญญาเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะแต่เป็นเรื่องต้องศึกษามันหน่อยทําความเข้าใจมันหน่อยแล้วเราจะง่ายขึ้นไม่หมดเวลาเลยโอ้เจ็ดโมงลนะแล้วแั้วนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตของเรามันไม่ใช่เรื่องาศาสนาไม่ใช่เรื่องลัทธิไม่ใช่เรื่องความเชื่ออะไรทั้งนั้นแต่ที่เรามาบัญญัติึ้นมันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องาศา ác, สน า, านั้นศาสนานี้แต่ความจริงก็คือความจริงมันไม่ได้ปีาศาสนาอะไรไมันอยู่เหนือาศาสนาอยู่เหนือลัทธิความจริงนี้แต่คนที่ยังไม่รู้ก็ต้องไปเกาะเรื่องแบรนด์เรื่องยี่ห้อมัาดูก่อนแต่คนรู้แล้วนี่มันลื้อคำว่ า, าศาสนาลัทธิออกไปคืออยู่กับความจริง เพราะอยู่ความจริงคืออยู่ความไม่ทุกข์ถ้าคุณไม่รู้ไม่จริงคุณก็ทุกข์ถ้าคุณทุกข์คุณก็หาที่พึ่งคุณหาที่พึ่งคุณต้องหาอะไร่ที่เป็นที่เคารพ บ, บูชาได้คุณเขาไปติดกับมันแต่ถ้าคุณไม่ทุกข์เสร็จแล้วเน่ยคุณไม่ต้องเอาความไม่ทุกข์เป็นที่พึ่งมันก็ไม่ต้องมีศาสนาแล้วแต่เราก็อาศัยศายสนาเพราะอะเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นสังคม เป็นบ้านเป็นเมืองเราอยู่กับสมมุติแล้วก็าเขามีก็เราก็มีตามเขาไปเลยแต่เราไม่ทําอย่างเขาคือเขาทุกข์มาเราไม่ทุกข์กับเขาอ่ะใช่ไหมเขาโลภมาเราไม่โลภกับเขาอ่ะเขาโกรธมาเราไม่โกรธกับเขาอยู่แต่ไม่อยู่เป็นแต so ่ไม่เป็นมีแต่ไม่มีอันนี้เรื่อ่กับความจริงดังนั้นเอาไปฝึกในเรื่องนี้ฝึกเป็นชีวิตเลยเพราะอย่าโยมเดียผ่านโลกผ่านร้อนมาเยอะแล้วเนาะอย่าไปเอาอะไรอีกเวลาที่เหลือก็ฝึกกันในเรื่องเนี้ย เออเราก็ชีวของเรามันก็สงบมันก็สุขถ้าเวลาที่เหลือเราก็แบ่งประสบการณ์นให้ลูกให้หลานเราใช่ไหม<ด><บ>ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนเราพี่น้องเพื่อนเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เยอะแยะเพราะเขาไม่รู้ตัวนโยมยุรีบฝึกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่เห็นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะได้แบ่งปันอันนี้ให้กับคนอื่นได้โลกเออไม่ถ้าเอาทําให้ดีขึ้ให้ดีเปลี่ยนความโลภให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความโลภให้เป็นเมตตาเปลี่ยนความโลภให้เป็นอะไร ให้เป็นแสงสว่างก็คือเอาอะไรไปเปลี่ยนเอาตัวรู้ตัวตัวรู้สิกตัวชัดๆนี่นะไปเปลี่ยนมันเหมือนกับเราเอาไฟไปเปลี่ยนน้ําเย็นให้เป็นน้ำร้อนไปเปลี่ยนข้าวดิบให้เป็นข้าวสุกแต่ว่าไอ้ตัวรู้ของเราเนี่ยคืเข้มแข็งแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเพียรในที่นี้ใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าตะบะตบะแปลว่าเตานะความเพ็นตะบะเคยได้ยินใช่ไหมตะบะแปลว่าเตาไฟ แต่เราอาไปใช้ทางจิตเขาเรียกตะบะหรือว่าพรดแต่ไปใช้กับวัตถุข้างนอกเรียกว่าเตาไฟอันเดียวกันแต่ว่ามันคนเรา <c oughs> คนเราภาษาหนึ่งภาษากายหนึ่งภาษาใจเท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้าว่ากูจะกูเข้าตรงแปลง ค, คุณไม่มีเตาคุณไม่ได้ยินเอางั้นแต่ถ้าเราจะไปสร้างแสงสว่างทางปัญญาสร้างความสุขทั้งทางจิตใจคุณไม่มีตะบะคุณก็ไม่มีสิแน่มันหลักการธรรมชาติเลยนะมันไม่ใช่เป็นหลักการที่สลับซับซ้อนที่นัก ศา ส, สนานักปัติญญามาสอนกันอ้อะไรต่ออะไรไม่รู้สอนนึกนอกกายนอกใจนั่นแหละยกนิทานยกประวัติศาสตร์ยกอะไรมาสอนอ้มันเราก็ไปจํากันหัวราเบิก็ไม่แก่มีปัญหาขึ้นมาแก้ทุกอะไรเราไม่ได้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเองเรามีเวลาน้อยทําความพอใจให้ชัดแล้วต่อไปก็โยมต้องการก็เป็นหน้าที่ของโยมโยมไม่ต้องการก็ทิ้งไปได้เหมือนกันนั่นก็ให้ แสงสว่างในมือแล้วโยมจะเดินไปโดยใช้แสงสว่างก็เดินสะดวกใช่ไมเดียโอ้แสงสว่างนี่มันไม่นี่ลกลุ่ลังโยนทิ้งโยมก็เดินในความมืดต่อไปวขอเปลี่ยนาเ่องเออเปลี่ยนสามเร่โอ้ย อ, <c oughs> อย่าไปพูดให้ลูกให้หลานอย่าไปพูดให้ลูกให้หลานฟังไม่ตไันะไปจ้วขายไม่หน้าหน้าโต๊ะหมูไปดูวะไม่ต้องไปถึงว่าท่าไ่อาะ ท, ทำไมจุดทูดสามเรื่อมาเพราะอะไร จุดเทียนในสองเล่มแน่ทู่ในจุดสามเล่มนะทำไมจุดสามเล่มมา อ, อ, อันนั้นถ้าเราพูดแบบสมมุติก็คือพูดว่าธรรมประสงค์แต่เราพูดแบบความจริงคือในกายของเรามันมีประตูอยู่สามแห่งคงนั้นกายวาจาใจอเราต้องบูชากายวาจาใจของเราทํากายวาจาใจของเรานให้หอมหวนเหมือนทู่เสมอแต่เราทํากายวาจาใจของเราในทางไม่ดีมันก็กเหม็นนะจ๊ะวะ แต่ทําทางกายวิยจาดีมันก็หอมกลิ่นทุกเรื่องหอมเนี่ยเอามาเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวเราเนี่ยพึ่งอยู่สามอย่างนะพึ่งกายตัวเองได้พึ่งวิจาตัวเองได้พึ่งใจตัวเองได้เราจะสมมติเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์สมมติเป็นศีลสัสมปัญญะถ้าแต่สมมติไป <S <S แต่ความจริงของเราที่เราสัมผัสได้คือกายวิยจาใจของเราอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอ น, นอะไรเรื่องนอกตัวเรานะแต่อาจจะใช้ภาษาอันต่างไปเท่านั้นเอง ตอนนั้นช่ชวงเช้านี่ถือว่าเป็นการสรุปบทเรียนทั้งหมดที่เราเรียนกันมาสองสามวันนี่นะแล้วเอาไปทบทวนดูเมื่อไปปฏิบัติแล้วมันเกิดปัญหาขัดข้องตรงไหนโทรถามกันได้เลยจะอยู่เมืองไทยก็โทรตามกันได้โลกนี้เป็นโลกเทคโนโลยีใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ห <c oughs> ลวงพ่อไม่มาเจาที่อาจารย์ไม่มาเจตีไม่ต้องพูดถึงนะ้ยกมือโทรศรัพ์ว่าโทรไปได้เลยนะแล้วก็คุยกันกเหมือนเราอยู่เฉพาะหน้าแคนี้อันนี้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาตัวเอง นะถ้าหากว่าเราไม่ใช้มันมันก็ไม่ได้รับประโยชน์จากมันใช่ดังนั้ น, น, นอันนี้ก็ส่วนที่เราได้มาพบกันในช่วงเวลาสั้นๆเรามีอะไรก็เปิดเผยให้กันดูหมดนะไม่มีอะไรที่จะซับซ้อนไปกว่านี้